หจาริตสิกขาบท99ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รับนิมนต์ไว้แล้วมีพัตตาหารอยู่แล้วไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่เที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันพัตนาหารหรือหลังเวลาฉันพัตนาหารณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครื้ถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารบท่านพระอุปนันทากยาบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทากยาบุตรรับนิมนต์ไว้แล้วมีพัตตาหารอยู่แล้วยังเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันพัตนาหารหลังเวลาฉันพัตนาหารในจาริตริสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัตสีพระอนุบัญญัติ บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นกันินาสมุดฐาน